ع و ذ ب ا ل ل ه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره س ل ي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل ه فلا ه ا ي ل ه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ว่ ا ش ั ه ว ا ا ะไ ا ل ا ช ل พระเจ้ ل พระ ي ง ل ์ทรงเป็นพ ل ะเจ้า ا พียงพระองค์เ ل ี ا วแล م ไม่ ل ีพร و เจ้าอื่น ل ا ل ี่เทียบเท่ากับพระ ا งค์ท่า ل ทั้งหลายจง م ู้ว่าเราเป็นผู้ที่รู้จักพระเจ้ว่าพรองคทรงเพี่มระเ้อืที่เทีท่กท่านทั้งหรู้็ผทกา่องค์ง็้งอคดวามดีกับพวกเราทุกคทนเี มีโอกาสได้พบกับเดือนโรมฎอนอันมีเกียรติแล้วก็เดือนแห่งความดีงามเดือนแห่งการให้อภัยโทษเดือนที่พระองค์ลลนั้นจะปลดปล่อยบ่าวที่คู่ควรที่จะลงนรลกนั้นให้รอดพ้นจากไฟนรลกของพระองค์อัลฮัมดุลิลลา์ับพี่น้องในขณะที่พี่พี่น้องมุสลิมเป็นจำนวนไม่น้อยที่ว่าเขาอาจจะไม่มี โอกาสเหมือนกับพวกเราที่ว่าได้มาเจอเดือนที่มีเกียดนี้เพราะนั้นก็ขอบคุณพวกเรา้ให้มากแล้วก็พยายามคนขวายใช้ประโยชน์จากเดือนนี้ให้เต็มที่ครับผมครับอย่างที่พี่เ้งสังเกตก็คือเราได้เปลี่ยนเวลา บรรยายนะครับมาเป็นช่วงสะฮุนก็คือบอกว่าพี่น้องจะได้ประโยชน์สูงสุดในเรื่องของการทําอิบาด์ดะในช่วงของเดือนรอมฎอนซึ่งรอมฎอนก็มีความดีงามต่างๆนานาที่ว่ามุสลิมเรานั้นควรจะทําอะไรทําได้ก็ควรจะทําให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ั้กในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานซึ่งอัลฮัมเดล่าครับวันนี้เราก็เริ่มต้นวันแรกของรอมฎอนด้วยกับการที่มาพูดคุยถึงเรื่องที่ดีที่สุด นั่นก็คือพูดคุยเกี่ยวกับคําพูดของอ ah, uh ัลลอฮฺซุบฮะนูบูตาอิละฟินเเพราะว่าคำพูดที่ดีที่สุดนั้นก็คือคําพูดของอัลลอฮ์อย่างแน่นอนหลังจากนั้นเราก็ได้มาพูดถึงหัวข้อที่ว่าเป็นหัวข้อที่ประเสริฐที่สุดอีกหนึ่งหัวข้อนั่นก็คือคนประเภทไหนกันที่อัลลอฮ์รักเพราะนั่นคือเป้าหมายตลอดชีวิตของพวกเราและนั่นก็คือเป้าหมายแล้วก็เหตุผลที่ทําให้มสุสลิมนั้นรักเดือนรอมอดอนเพราะเราอยากให้อัลลอฮ์รักเราเพราะเราอยากให้พวกอัลลอฮ์นั้นมเม เพราะเราอยากให้พ่อร้อนนั้นให้อภัยโทษกับสิ่งที่ผ่านมาของพวกเราประนั้นสําหรับมุสลิมสิ่งที่พวกเราปรารถนานมากที่สุดก็คือการที่พวกเรานั้นมั่นใจว่าพ่อร้อนนั้นจะรักเราในการที่เรานั้นต่ออแล้วก็เชื่อฝังพ่อร้อนสุบฮะนะฮุบตะละครับสําหรับพี่น้องที่สลามมาก็วาระดิลุมุสลามวาระของทุลลอวบาริกาด้วย um hm ทั้งพี่วันีสติรักนะครับแล้วก็พี่ซันมา กษัตริย์มาก็ไว้คุณกษัตริย์มุขตุละวะาวาวาลกาตุแลก็พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมพี่น้องที่รักจทีงครับเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับถึงสัญญาณที่แสดงให้รู้ว่าอัลลอฮ์รักเราซึ่งเราก็ได้บอกว่าจากตัวบทเมื่อรวบรวมเนี่ยสัญญาณที่แสดงให้รู้ว่าอัลลอฮ์รักเรานั้นมีทั้งหมด9้วสัญญาณด้วยกันซึ่งในที่นี้ครับผมจะไม่ขอทวนในส่วนของเจ็ดสัญญาณที่ผ่านมาแต่ว่าอยากจะมาพูดถึง สัญญาณที่แปดต่อซึ่งเป็นสัญญาณที่สําคัญมากๆนั่นก็คือสิ่งที่แสดงให้รู้ว่าพ่อลอสซูบหานหัวตานั้นรักเราคือเมื่ อ, อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเรานั้นอยากพบเจอพ่อลอสซูบหานหัวตาแหละมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากใช่ไหมครับพี่น้องในเมื่อเราบอกว่าเรารักใครสักคนเราย่อมอยากจะเจอเขาและในเมื่อ เรารู้ว่าชีวิตที่เรากำลังอยู่นั้นที่ว่าเราไม่ได้พบเจอพวกที่ว่าเราไม่ได้มองเห็นพวกนั้นเพราะเรากำลังอยู่ในช่วงแห่งบททดสอบเหมือนกับเรากำลังเดินทางครับพี่น้องเหมือนกับพวกเราทุกคนนั้นกำลังเดินทางอยู่ชีวิตของเราทั้งชีวิตนั้นคือการเดินทางเป้าหมายของเรานั้นคืออาชีระไม่ว่าพี่น้องจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่ว่าเราจะรักหรือเราจะไม่รักขอให้รู้ไว้ว่าเป้าหมายสุดท้ายของพวกเรา ทุกคนนั้นคือสวนเกียร์นะการไปสวนเกียร์นะจะเป็นผู้ศรัทธาหรือผู้ไปเสด็จศรัทธาก็ตามอัลลอาฺ سبحانه แะได้กล่าวในกุณธรรมว่าคุณอินนัลมูต์ที่ที่ที่ที่ที่ทม่ที่ที่ที่ที่ทา่ที่ทีมที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ี่ที่ที่ที่ทะ่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ท่ทีี่ที่ท่ที่ท่ที่ที่ที่ท่ี่่ แน่นอนที่สุดความตายที่พวกเจ้าพยายามจะหลบหนีจากมันนั้นมีใครบ้างในหมู่พวกเราที่ไม่กลัวตายน้อยมากเลืวเจอในหมู่พวกเราที่ว่าอยากจะตายพร้อมที่จะตายพร้อมที่จะได้จจเจอเราแต่พระลอสวาณหัวตาลาได้พูดถึงสัจธรรมนมครับว่าแน่นอนความตายที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นพยายามที่จะหลบหนีหลีกหนีจากมันพยายามไม่พูดถึงมันพยายามไม่คิดถึงมันพยายามทาตัวเหมือนกับว่าเจ้าจะไม่ตาย ไตรอินและฮูโมเลกุลกุ่มที่พวกเจ้าพยายามจะหนีจากมันมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แน่นอนที่สุดมันจะต้องมาเจอกับพวกเจ้าผมต้องเสียชีวิตพี่น้องทุกคนที่กำลังรับชมอยู่พวกเราทุกคนก็ต้องเสียชีวิตเหมือนกับบางพุทธของพวกเราที่ว่าท่านมีมาก่อนหน้าพวกเราแล้วพระลอร์ก็ได้เอาตัวท่านกลับไปแล้ว พระพุทธบอกสัจะทําครับไม่ว่าคุณจะเชื่อแนวัลคุณจะไม่เชื่อแนวรัลคุณจะเป็นบาปที่ดีของรัลคุณจะเป็นบาปที่ดีของคุณต่อรัลคุณจะเป็นบ่าปที่ว่าทุ่มเททุกอย่างให้กับดุนยาหรือคุณจะเป็นบาปที่ว่าทุ่มเททุกอย่างให้กับทั้งดุนยาแล้วก็อาคีรัลคุณจะอยากเจอรัลคุณจะไม่อยากเจอรัลพระพุทธบอกว่าสัจธรรมถึงที่สุดแล้วพวกเราทุกคนต้องเจอรัล ฝ่าอินโหวมุลาคีกลุ่มซุมมาตรว ด, ดูในละ อ, ลอายลิมุลกบิวเชฮะเด็กพี่น้องทีร่ทรความตายมาถึงแล้วมันจบไหมถ้าสำหรับผู้ไปเสียสธาเขาอาจจะคิดว่าตายแล้วก็จบบางทีเขาก็คิดแค่ว่าทํายังไงที่ว่าตายแล้วชื่อเสียงของเขาจะยังคงอยู่ต่อไปความคิดของเขาจะยังคงอยู่ต่อไปอุดมการณ์ของเขาจะยังอยู่คงอยู่ต่อไปเขาคิดแค่นั้นเพราะเขาไม่รู้ว่าอะไรรอเขาอยู่หลังความตาย แต่มุสลิมเราเราเชื่อมัน่นเรารู้เราชัดเจนเลยครับว่าสิ่งที่รอพวกเราอยู่หลังความตายนั้นคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงมันคือเป้าหมายแล้วหลังจากการเดินทางเราก็ถึงเป้าหมายเหมือนกับเราโดยสารด้วยกับรถหรือวรถไฟด้วยกับเครื่องบินที่ว่าระยทางที่ยาวนานและเกินเราเดินทางแล้วแล้วการเดินทางของเรามันใกล้จะจบแล้ว แล้วเมื่อถึงเวลาจบซึ่งมัตจรัดตุนาอ ل ล علم الغيب والشهادة พระวสุพานาุตัลบอวาวะครับว่าแล้วพวกเจ้าตายได้ยังไงจะถูกนํากลับไปหาพระวสุพานุวัตละเพาาราะพระลอร์นั้นเป็นผู้ที่สร้างเรามาแล้วถึงเวลาเราก็ต้องกลับไปหาพระองค์กลับไปทําไมครับพราะว่ากล่าวว่าแล้วหลังจากนั้นพระองค์ ก็จะบอกพวกเจ้าถึงสิ่งที่พวกเจ้าได้ทําเอาไว้ในยักกุ้นหนครับพอรอดได้พูดพระนามของพวกรอดในที่นี้ครับว่าผู้รอดนั้นเป็นผู้ที่รู้อาลิมอาลิมิลไกรูสาฮะดาผู้ที่ร่วงรู้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามที่เราทําแบบลับๆับบอะไรที่เราทําโดยที่เราไม่แนใ่ใว่ามีใครรู้แน่นอนแล้วบางทีมันอาจจะไม่มีใครรู้จริงๆ อาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดในใจอาจจะเป็นสิ่งที่เราพูดเบาเบาอาจจะเป็นสิ่งที่เราพูดดังๆวัสชะฮ์โอละเขาพูดที่ร่วงรู้อะไรก็ตามที่ว่าเป็นสิ่งที่เล้นลับที่ว่าเขาทำกันแบบลับๆหรือทำกันแบบว่ามีผู้คนรั บ, บรู้เห็นใครจะทำความชั่วร้ายอย่างส่้นเล้นไม่ให้ใครรู้เลยอัลลอฮ์ก็รู้ใครจะทำความชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ไดีอย่างเปิดเผยผูล้ละสบฮานตราก็รู้ ไอจะทําความดีแบบลับๆไม่ให้ใครรู้คนที่ถูกทําความดียังไม่รู้เลยว่าใครทําความดีกับเขาให้ความชื่อยเหลือคนอื่นจนท่งว่ามือขวาจ่ายอะไไปมือซายไม่รู้ผู้นรกก็บอกว่าผู้นรกก็รู้นะหรือคุณจะทําความดีแล้วเปิดเผยออกมาด้วยกับเป้าหมายอยากให้อัลลอฮ์รักแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีผู้นรกสุบฮานหัวตาลาก็รู้ดีพี่น้องสีรักยิงแค่วักนี้วักเดียวอาลิมิลเออลยบี วาาฮะเด่ะผู้ที่รู้ในสิ่งที่ว่าทำแบบลับๆกับสิ่งที่เปิดเผยแค่นี้มันก็ชัดเจนสำหรับมุสลิมผู้ศรัทธาแล้วว่าไม่มีอะไรเด็ดขาดที่จะลอดเลนที่จะหลุดไปจากการรับรู้ของผู้ลัหธิวาานะฮูอาาตัตตะละเพราะปันสิ่งที่มุสลิมเราทุกคนต้องระวังคืออะไรครับ สิ่งที่เราทุกคนต้องระวังก็คืออย่าให้ตัวตนจิตใจของเราเนี่ยไปหลงละเลงกับดุญยามากเกินไปอย่าไปยึดติดกับดุญยามากเกินไปอย่าไปโกรธเกลียดใครมากเกินไปอย่าไปรักใครหรือว่ารักสิ่งใดมากเกินไปเพราะดุญยานั้นถูกสร้างมาเพื่อที่จะดับสู่เพราะอะไรก็ตามที่อยู่บนดุนยากุลุมันอะไรหฮาฟาน อะไรก็ตามที่อยู่บนดุนยานั้นถูกสร้างมาเพื่อที่จะดับสูญเหมือนกับใครก็ตามที่ว่าเขาอยู่ในโลกแห่งความฝันแล้วเขาก็คิดเหลือเกินว่าในฝันเนี่ยเขาอยากจะได้มันเขาอยากจะมีมันเขาอยากจะได้พบเจอกับสิ่งดีๆงามๆเหล่านั้นมันเป็นเพียงแค่ความฝันแล้วมันก็ต้องจบเพรา ะ, ะนั้นใครก็ตามที่เขาศรัทธาต่อระอยอย่างแท้จริงแล้วใครก็ตามที่ร้อยรักเขาอย่างแท้จริงเขาจะคิดได้ เขาจะมีสติแล้วเขานั้นจะอยากไปพบเจอพวกลอสปานาโฮว่าจ่าละคาว่าอยากไปพบเจอไม่ใช่ว่าอยากไปเจอเจอท่านใจร้อนอยากจะฆ่าตัวตายไม่ใช่เขารู้ว่าชีวิตของเขาเกิดมาเพื่อพิสูจน์ให้พวกลอ ร, รู้ว่าเขาเป็นผู้ที่อดทนเพื่อพิสูจน์ให้พวกลอได้เห็นว่าเขานั้นทําความดีจริงเขาก็ขอใช้ชีวิตไปจนถึงที่สุดของที่สุดที่ลอจะกําหนดให้ ในขณะที่ในใจของเขาเขาก็คิดว่ายาวล้อฉันอยากพบเจอพระองค์แล้วเกินยาวล้อพระองเป็นผู้เมตตาฉันพระองคเป็นผู้สร้างฉันพระองเป็นผู้ที่มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ฉันพระอคเป็นผู้นำทางฉันพระองคเป็นผู้ให้ฉันนั้นรู้จากอิสลามพระอง o ์นั้นเป็นผู้ที่ประทานความดีมาให้กับฉันพระองค์เป็นผู้ที่แนะนำให้ฉันรู้ว่าทำอย่างไรถึงอัลลอฮ์ั้จะรักพองค์เป็นผู้ที่ประทานเดรมดอนห้พองค์เป็นผู้ที่ประทานให้ท่านนบีมุสลิมอวยสลามนั้นเป็น ยาวล้อความดีงามของพระองค์สิ่งดีงามของพระองค์ที่ให้แก่ฉันนั้นมันมากมายเหลือเกินในขณะที่ความชั่วร้ายของฉันความเป็นคนในรคุนของฉันมันช่างมากมายเหลือเกินแต่ว่ายาวล้อฉันรักพระองค์เหลือเกินยาวล้อฉันอยากพบเจอพระองค์เหลือเกินยาวล้อฉันอยากจะได้กลับไปหาพระองค์ลสัสมาตะละเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมเหน็ดเหนื่อ ย, ยในดุนยาอย่างนี้อีกนี่คือความคิดของมุสลิมเราพี่น้องที่รักอองครับ والله سبحانه ت ع ل ق و ب ر ه و ا ب ر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ولا ت ع د ع ي ن ك عنهم تريد ز ي ن ة الحياة الدنيا ولا ت ت ع ل أ ف ل ن ا قلبه أ ن ذ ك ر ن ا وتباهاه ا وكان أمره ف ر ط ن سركافي ا ت ي س ب ة ب واله سبحانه ت ع ل ق و ب ر ه واسبر نفسك เรารักอัลลอ์ใช่ไหมเราอยากเจอพูอัลลอ์ใช่ไหมต้องผ่านยุญญาไปให้ได้ผ่านยุญญาไปยังไงครับวัสบรต้องอดทนเวลาพี่น้องจะทําความดีเราต้องทนหัหยเราก็ต้องอดทนมันมีความเหน็ดเหนื่อยอยู่จะละหมาดทั้งห้าเวลาในเวลาจะละหมาดตอดเนียจะอ่านกรุรานเป็นชั่วโมงชั่วโมงความดีอะไรก็ตามที่เราจะทาอดทนไหมต้องใช้ความอดทน ต้องฝืนใจไหมต้องฝืนใจด้วยร่างกายอยากจะพักบางทีอยากจะเล่นบางทีอยากจะทําอะไรที่มันสบายแต่อดทนเพื่ออะไรครับเพื่ออลัลลอฮฺอย่าลืมพี่น้องเป้าหมายสําคัญเหมือนกับตอนเนี้ยเรากําลังจะทานสะฮุนกันเราอาจจะเตรียมสะฮุนพี่น้องอย่าลืมครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเจตนาของเราใจเราสิ่งที่เราถือสิริษนั้นเราต้องย้ํากับตัวเองว่าเพื่อให้อลัลลอฮฺรัก น่าลืมเด็ดขาดนะเราอยากให้อัลลอฮ์รักเราเลยทํามันเพราะถ้าไม่มีคีย์เวิร์ดสำคัญคีย์เวิร์ดนี้สิ่งที่เราทําไร้ค่าทำไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์ไร้ค่าเพราะนั้นต้องอดทนทุกอย่างไว้ต้องอดทนทําความดีต้องอดทนไหมต้องอดทนเว่าที่ใจอยากจะทําความชั่วแต่ฉันอยากจะฟังเพลงฉันอยากจะดูหนังฉันอยากจะลิ้นแทะฉันอยากจะด่าว่าคนอื่นฉันอยากจะใส่ร้ายคนอื่นฉันอยากจะอยากจะอยากจะอยากจะอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต้องทนไหมต้องทน แล้วกับบททดสอบของผู้วอลล์ล่ะปีนี้วอลล์ว่าอารมครับอากาศจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้อาจจะร้อนอาจจะมีฝนตกให้ชุมช่มฉ่าหรือจะยังไงก็ตามแต่การถือสนุกมันก็เป็นบททดสอบในตัวอยากกินไม่ได้กินอยากดื่มไ ม, ไ, ไม่ได้ดื่มไม่ได้ดื่มบางทีอยากจะนอนมันก็ไม่ได้นอนต้องมาทํางานต้องทําอำมานะในดวงยาต้องอดทนไหมอดทนเพราะกาศเลยครับวอสเบิรนัฟเซตตัวของเจ้าเนี่ยต้องอดทนให้ได้ อดทนควบคุมจิตใจของเจ้าเวสบิทนัฟสักการอดทนเนี่ยพี่น้องถ้าอยู่คนเดียวเนะี่ยมันทรมานมันเหนื่อยมาอัลละีนะิะยะเดนะอูเลยับบะฮุมฟัวร์ซอบอกว่าการอดทนไม่ใช่อดทนแล้วอยู่ตามลาพังนะต้องอดทนด้วยการไปอยู่ร่วมกับคนดีๆคนอื่นด้วยแน่นอนอาจจะมีกระทบกทั่งอาจจะมีอะไรบ้างแต่ต้องอดทนพี่น้องในช่วพาะในเดือนละมดอน บางทีอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบางทีอาจจะมีพูดเรื่องศาสนาบางทีอาจจะมีการใช้อารมณ์กันไปพี่น้องอย่าลืมคขาว่าต้องอดทนในการที่จะอยู่กับบรรดาคนดีเหล่านั้นการที่อยู่กับคนดีไม่ใช่หมายความว่าจะมีแต่สิ่งที่ดีออกมาจากตัวเขาในความเป็นมนุษย์บุตุชนบางทีเขาก็มีสิ่งที่ถูกบางทีเขาก็มีสิ่งที่ผิดบางทีเขาก็มีเรื่องของอารมณ์เพราะเราบอกไงครับจงอดทนตัวของเจ้าให้ได้ก่อน หลังจากนั้นก็ต้องอดทนในการที่จะอยู่ร่วมกับบรรดาคนดีๆที่เขาพยายามเรียกร้องเชิญชวนพี่บาลของเขาเรียกร้องขอแล้วก็เชิญชวนผู้อื่นไปสู่พี่บาลของเขาบิลกอร์เรียจิวาชีทั้งยามเช้าและยามเย็นคนที่ทําความดีตลอดเวลาไม่ใช่ว่าตอนเช้ามาเป็นผู้ศรัทธาตอนเย็นมากลายเป็นกาเฟตหรือว่าตอนเย็นเป็นผู้ศรัทธาตอนเช้ามากับกลายเป็นกาเฟต ลหลงไหลรุ่มหลงไปกับดุนยาไม่ใช่แต่พวกอร๊อบบอกว่าในชีวิตในดุนยาเนี่ยพยายามหากลุ่มพยายามหาค น, นดีๆที่อยู่ด้วยคนที่ว่าเขานั้นพยายามเรียกร้องไปสู่ผู้วิบาลของเขาทั้งในยามเช้าแล้วก็ในยามเย็งเงนทําความดีตลอดเวลาตัวเราก็อดทนแล้วก็เลือกที่จะคบค้าสมาคมกับคนดีอยู่รีดูเนาว้ยใช่ไหมทำไมเขาถึงวิ่งวอนขอต่อัลลอฮ์พวกเขาเหล่านั้นหวัง ว่าจะหักบหน้าของพวกอสซูบาห์นะฮุงวัตตาล่ะคำว่าหวังใบหน้าก็คือหวังอยากแยาวลอยนั้นมองมาที่เขามองมาด้วยกับการมองที่แสดงถึงความพึงพอใจมองมาด้วยสายตาแสดงถึงความรักที่มีให้การมองมีหลายแบบพี่น้องรู้ดีใช่ไหมครับมองแบบรักมองแบบเกลียดมองแบบพอใจมองแบบไม่พอใจพวกลอสซูวัตตามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็มองพวกเราอยู่มองด้วยกับสายตาแบบไหนนะ่ะอย่างที่พวกเราทราบเมื่อรมฎอนเข้ามาความเมตตาของบล็อตจะมีมากขึ้นการให้อภัยก็จะมากขึ้นการปลดปล่อยให้เราพ้นจากไฟนรกก็จะมากขึ้นเพราะนั้นพี่น้องที่ ร, รักยิ่งครับนี่คือโอกาสทองที่ดีที่สุดแล้วสำหรับพวกเราบล็อตเตือนนะครับว่าอย่าได้ไปเชื่อกลุ่มคนที่หัวใจของเขานั้นตายบอดไปแล้วที่เราล็อตปิดหัวใจเขาไปแล้วเห็นสต่จะทำแล้วไม่ยอมรับ ว่าแค่นำูฟร์ต่ อ, ตอการงานของพวกเขาเหล่านั้นที่ทําตามอมําเภอใจใจคิดอะไรก็ทาไปคิดอะไรก็พูดไปไม่สนใจว่าอะไรถูกอะไรผิดพวกะว่าบอกการงานของพวกเขาเหล่านั้นมันไร้ค่ามันไม่ประโยชน์กับพี่น้องพี่น้องสิรักยินครับกุลยาอเยฮ์ฮัลล์ดีลาฮัดอินซอัมตุมอันนักุมอวิยะอุลลิล์มินดุลินนัส ฟะตมนนัมแน้วัลมูต์อินคุณต์ม์ صاد ิกินว لاج ตัมแน้วัล نه أبداً بماقدّمت أيديهم والله عليم بالظالمين َ س ُ و ل ُ ه ُ وَتَلَايَ าาทา้ายเอาไว้ได้พูดเพื่อให้ได้ฉุกจฉิตครับวราบอกว่าไงครับให้พูดกับบรรดาผู้ที่ฮาดูได้รับทางนำมาก่อนไมายถึงใครครับชาวอยู่ บรรดากลุมชนที่ได้รับทางนํามาก่อนอินซอัมตุมอันนักุมเอาริยาอูดิลละหาพวกเจ้าอ้างว่าเจ้าเป็นที่รักของอัลลอฮ์ประโยคนี้ไม่ใช่แค่กับอยู่ครอบคลุมถึงคนทุกคนที่เป็นชาวคัมภีร์แม้แต่มุสลิมบางส่วนที่เขาอ้างว่าเขานนั้นเป็นที่รักของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักฉันนะอยสกี้ฉันมากมายอัลลอฮ์รักฉันนะอริสกี้ฉันมีสุขภาพที่ดีอัลลอฮ์รักฉันนะอริสกี้ Allah, กฉันมีรูปลักษณ์ ลูกร่างลูกรักหน้าตาที่ดีอัลลอฮ์รักฉันอันลลอฮ์ฉันมีการงานที่ดีหรือบางทีเราอาจจะมองคนอื่นย่าอัลลอฮ์หมาอัลลอฮ์รักคนนี้จริงๆเลยนะให้เขามีแต่ความดีงามให้ครอบครัวเขาดีให้ลูกหลานเขาดีให้เขามีแต่ความร่ำรวยพี่น้องครับพอ่อเล่ากล่าวหากอ้างว่าเป็นที่รักของอัลลอฮ์หากอ้างว่าอัลลอฮ์รักจริงรักพิเศษรักมากกว่าที่รักคนอื่นฟาตามัน สักแต่มนาวุฒ like <wh greasy people _ ITE> ิตะโพลเราบอกไงครับก็จงอยากตายสิพกเราบอกง่ายๆเลยถ้าคิดว่าเป็นที่รักของอัลลอฮ์จริงคีย์เวิร์ดสำคัญง่ายๆมีอันเดียวก็คืออยากตายหรือป่ะ่ะอยากจงอัลลอห์ไม่ละวาเรากล่าวไงต่อครับวาเลยาตมนาวุฒิมาอบะดัมซึ่งพวกเขาไม่มีทางที่จะอยากตายเด็ดขาดพี่น้องสิ่งที่เราเห็นในภายนอกเนี่ย มันไม่ใช่ตัววัดว่าอัลลอฮ์รักหรืออัลลอฮ์ไม่รักเหมือนกับที่เราย้ําเป็นประจำท่านอบีมูฮัมหมัดสุลลัลวะอันสลัมได้บอกไว้ครับว่าอัลลอฮ์ได้แบ่งในเรื่องมารยาของพวกท่านเหมือนกับที่แบ่งในเรื่องทรัพย์สินของพวกท่านเรื่องทรัพย์สิน อ, อัลลอห์ให้กับทั้งคนที่อัลลอฮ์รักกับคนที่อัลลอฮ์ไม่รักความร่ารวยความ ม, ามัามมา่งคั่งฐานะเกียรติยศ ยยนยาคำสเสริญของผู้คนพอเราให้กับทั้งคนที่อัลลอฮ์รักกับคนที่อัลลอฮ์ไม่รักเขาอัลลอฮ์ให้หมดเลยแต่ในเรื่องของมารยาทในเรื่องของศาสนาอัลลอฮ์จะให้กับผู้ที่อัลลอฮ์รักเท่านั้นและพอเราบอกว่าคนที่คิดว่าตัวเองได้ดีในดุญญาแล้วคิดว่าเขาเป็นคนที่อัลลอฮ์รักเป็นกลุ่มชนพิเศษที่อัลลอฮ์รักมากกว่าคนอื่นพอเราบอกว่า หากอยากรู้อัลลอฮ์รักจริงไหมให้ดูว่าพวกเขาเน่ยอยากตายไหมอยากเจออัลลอฮ์ไหมซึ่งพวกเราบอกว่าคนประเภทนั้นไม่มีทางอยากตายหรอกถ้ามีชีวิตเป็นพันพันปีได้ก็อยากมี่ปาธนาะทํายังไงที่จะไม่ตายทำยังไงชีวซึฉัจะอยู่ตลอดไปทําย่างที่สุขภาพจะดีเขาจะคิดแต่ว่าทํายังไงที่จะอยู่บนดุนยาให้ได้นานขึ้นไม่ใช่อยู่เพื่อทําตัวให้อัลลอฮ์รักนะอยู่เพื่อที่จะได้เสพสุขกับดุนยาให้มากขึ้นอย่าอาซาบิลลามินได้ ซึ่งพราก็กล่าวย้ำครับเวลาเยเซมันนอนหัวอาบบะดัมบีมาคตามัตไอดีหิมเป็นไปไม่ได้ที่เขาอยากตายด้วยกับสิ่งที่เขาทํามาทั้งหมดเพราะเขาทุ่มมาให้กับดุลยาเพราะเขาหวังว่าดุลยาสดีพี่น้องที่รักยิ่งครับซึ่งใน บ, บีมโมฮัลโลร์ไฮซัมได้พูดไว้เลยความหมายว่าคนบางคนเนี่ยสําหรับชาวแผ่นดินสําหรับมนุษย์อาจจะมองว่าเขาเป็นคนที่ดีที่สุดนะที่รักแต่ว่าในสายตาของเราเขาอาจจะเป็นคนที่ชั่วนายที่สุดก็ได้ Allah รู้แต่เราไม่รู้เพราะ Allah คืออาลีมิลไกรมิวะชัยดาผู้ที่รู้ในเรื่องของสิ่งที่เลึกลับที่ไม่มีใครรู้แล้วก็ในสิ่งที่เปิดเผยเพราะนั้นพี่น้องที่รักสิ่งที่สำคัญไม่ใช่เรื่องของคนอื่นโดยเฉพาะในเดือนช่วงเดือนระมาลอนที่มีเกียรตินี้พี่น้องที่รักสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องของคนอื่นแล้วพวกเราแต่ละคนสำคัญที่สุดคือเรื่องของพวกเราเองเนี่ยแหละพี่น้องอย่าลืมโลกหน้าเราจะพูดแต่คำว่านับซีนับซีตัวฉันตัวฉัน พวกเราทุกคนผมก็จะพูดแต่อย่างนี้คือขอให้ตัวฉันรอดก่อนฉันอาจจะช่วยคนอื่นขอให้ฉันรอดก่อนขอให้ฉันรอดก่อนนับสี่นับสี่บางคนบอกเห็นแก่ตัวไปไหมมันคือสัจจธรรมคนเราทุกคนเกิดมาเรามีคุณลักษณะที่เรียกว่าเห็นแก่ตัวคือถึงที่สุดแล้วเราก็ต้องเอาตัวเราก่อนเมื่อเราเอาตัวเราแล้วเราก็จะเอาผู้อื่นด้วยซึ่งพอเราก็กล่าวในกรณ์เขาว่าไอไลกุมอังฟุซะกุม ศรัทธาชนทั้งหลายศรัทธาชนทั้งหลายเมื่อถึงที่สุดแล้ว